เพราะความจเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรปติยานกำลังนำเสนอเรื่องสัมพุทชงเจ็ดประการก็มาโดยลำดับมาถึงอุเบกขาสัมพุทธชงซึ่งจากองค์ธรรมทั้งแปดประทั้งหประการที่เรากล่าวไว้ในตอนต้นนั้นจะเห็นได้ว่า ที่จรงแล้วก็เป็นอริมักมีองแบบการคือสติสัมโพชฌงก็คือสัมมาสติธรรมวิจยะสัมโพชฌงก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาชังกับปั๊ริยะสัมโพชฌงก็คือสัมมาวายามะก็มาถึงปีติปัสสธิสมาชิเนี่ยก็เป็นสมาธิสัมมาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นชอบ อุเบกขาในฐานะหนึ่งก็เป็นองค์ฌานเพียงแต่ว่าอุเบกขาในสัมโพชฌงก์ก็มีความประนีตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งตามปกติเรามักจะได้ยินอุเบกขาอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งก็ในพรหมิหารสี่นี่คุ้นมาก อีกแข่งหนึ่งก็เนอยอัประมัญยาสีที่จริงก็คือในโรมิหารสีนั่นเองเพียงแต่ว่าขยายขอบข่ายออกไปโดยไม่มีประมาณทั่นเองในตกถาได้จำแนกแสดงอุเบกขาไว้ถึงสิบอาการกนั่นกอนแต่ถ้าเราดูแล้วมันเป็นการรวบรวมมาเรียบเรียงไว้คือหมายความว่าข้อความเหล่านี้ที่จริงก็มีอยู่ในปะิบิณโกแล้วนั่นเอง เพียงแต่ว่าพระตถ า, าจารย์ท่านฉลาดแล้วก็ขยันรวบรวมนํำมาร้อยเรียงขึ้นเป็นอุเบกขาสิบประการตามปกติเราก็ไม่ค่อยกล้านํำมาพูดกันเพราะมันยาวแตเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดยกลัวจะพูดไม่ทันนะนะแต่ในที่นี้ก็เราก็มีโอกาสและนั้นจึงก่อนที่จะพูดถึงเบขาสัมโพชฌงค์ ก็จะพูดถึงประเภทของอุเบกขาที่ท่านจำแนกแสดงไว้ในหัตถกาาตถามมาสติปัฏฐานนสุตถึงสิบประการด้วนกันอุเบกขานั้นเป็นลักษณะของปัญญาแปลว่าการเพ่งดูคือการเข้าไปเพ่งดูเป็นอุปาอิขะอิขะก็แปลว่าตานะฮอุปะก็คือเข้าไป เป็นอาการของจิตที่ใช้ปัญญาพิพพพพพจารณาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นในอุเบกขาในภรมิหานที่เราคุ้นๆเราเห็นว่าในสถานการณ์ที่ต้องใช้อุเบกขาภูมิหานเพราะมันใช้เมตตาก็ไม่ได้ใช้กรุณาก็ไม่ได้ใช้มุติตาก็ไม่ได้ ประวัตคนเหล่านั้นได้ประสบผลกรรมทั้งดีและไม่ดีของเขาคือประสบผลกรรมดีก็มีความสุขมีความยั่งยืนถาวร อ, อยู่แล้วเราไม่ไปทําอะไรเขาแต่เมตมก็เขาก็มีความสุขอยู่แล้วจตกกูณ า, าก็ก็มมีความไม่มีความทุกข์อะไรากามุติตาเขาก็จะเริญ อ, อยู่แล้วในกรณีเช่นนี้ก็ทําใจเป็นอุเบกขา คือเขาก็เป็นไปตามกรรมเขาแล้วก็อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่กรรมเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรต่ออำหนองไกยๆกับพ่อแม่มีลูกเนี่ยดูก็ตั้งตัวดีเป็นหลักเป็นฐานมีฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองมีความมั่นคงดีแล้วก็ไม่รู้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาก็ปล่อยก็ไปอย่างหนึ่งก็คือคนรรทําบาปทำกุศลจน ต้องถูกจับกลุ่มขุมขังลงโทษติดคุกติดตารางเราจะไปแส้เมตายก็มีความสุขก็ไม่ได้จะช่วยเหลือสงสารนกะ็ดุพจนุดือดรุก่นก็ไม่ได้จะแสดงความชื่นชมยินดีในการที่เขาติดคุกยิงไม่ได้ใหญ่เลยไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันก็ใช้ใจเป็นอุเบกขาคือวางเฉยไม่เกิดความดีใจหรือเกิดความเสียใจ ในเมื่อคนเหล่านั้นประสบความพิบัติด้วยกรรมของเขาเองอุเบกขาที่ท่านจำแนกไว้นั้นคือข้อแรกเรียกว่าฉลังอุเบกขาเป็นการวางใจเป็นกลางเวลาสัมผัสกับอารมณ์ที่มากระทบเกีออยนรูปโดยตาไนคฟังเสียง้วยหูสดุ ด, ดมริมนโดยจมูกลิ้มรสโดยลิ้นถูกต้องยึดเราดอนแข็ง้วยกาย คือระวังใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรวมๆนั้นยินดีก็สร้างปัญหาให้แก่เราเองยินร้ายก็สร้างปาัญหาแก่เราเองพูดง่ายๆว่าไม่เกิดความรักความชังในบุคคลไม่เกิดยินดียินร้ายในปกวัตถุสิ่งของยกตัวอย่างว่าเราไปยินดีในวัตถุสิ่งของเนี่ยแต่ถึงจุดหนึ่งมันคุมความยินดีไว้ไม่ได้มันเกิดอยากได้ แล้วก็เพื่อให้ทําใจก็ไปลักขโมยไปชอบไปชิงไปปล้นเขาเราก็เดือดร้อนยินร้ายปรคุณ ม, มารลง ไ, ไม่ได้ก็ไปทุบทําลายสิ่งเหล่า น, นั้นแล้วก็เป็นปัญหาในข้อกฎหมายความรักความชังในคนมันก็มีราษฎร์เช่นเดียวกันแต่รักจนราษนาจะครอบครองถือครองมีการจุบคราบมีการอ น, นาจารนั่นก็ผิดกฎหมายผิดสินธรรม แต่ถ้าทางถึงขว้แค้นต้องการโตร้ตอบทำลายล้างให้เขาพิบัติเก็ประสบความเดือดร้อนเราก็มีปัญหาพราะะ้อมก็ทรงสอนให้ทำใจเป็นกลางคือไม่ยินดีเกินเกินไปไม่ยินร้ายจนเกินไปแต่ก็มีปัญญารู้เท่าทันทั้งความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยาหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ดีว่าหาประโยชน์ให้ได้ ก็หาประโยชน์ไอะไ ร, รลองสังเกตในกรณีของคนเนี่ยตามปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะเสียประโยชน์จากความดีความชั่วของคนพอใครดีเด่นดังขึ้นมาโดยจะเกิดฤทธยาเราก็ขาดทุนนะเขาก็ได้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคือฤทธยาเราก็ไปป้องกันไม่ให้เขาได้ดีไม่ได้เพราะเขาได้ไปแล้ว เราเองคุณภาพจิตมันตกต่ำลงไปแล้วในสุก็จะเกิดความเร่าร้อนระแวงดิสยาหาความสุขหาความสงบไม่ได้พอเขาประสบความทุกความเดือดร้อนก็ปไปแสดงอาการดิ้นร้ายแล้วก็อยากจะซ้ําเติมเขาอย่างในกรณีของอิสระมุนีเนี่ยมีหนังสือพิมพ์ติดต่อสัมภาษณ์อัตมาเยอะทางวิทยุทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ บ่เราไม่พูดด้วยหรอกมันนอกเรื่องมันไม่มีความคิดในทางสร้างสารรค์อะไรมันมุ่งแต่การซ้ําเติมคนประจานคนแล้วให้ติวกระทบกราดับให้กระทบคนนั้นคนนี้คนโน้นก็ลากไปเรื่อยๆคือความคิดยังไม่สร้างสารรค์นี่มันมันเบืองหางหาความจเจริญได้ยากแล้วก็รัฐมนูลเองก็ไม่เคารพ รัฐประนุนแต่ว่าการเมื่อสิทธิทส่วนตัวนั้นมันมากเกินเหตุไปก็มาหลายรายนะฮะจะออกโทรทัศน์ก็มีวิทยุก็มีสื่อพิมพ์ก็มีบอกไม่ปูดเลยเราไม่มีข้อมูลถึงมีข้อมูลขนาดนั้นเนี่ยเราพูดไม่ได้อยู่การความความข้างเดียวคนทำใจสบายก็คือบังใจเฉย ไม่ยินดีไม่ยินได้แล้วไม่รักไม่ชังใครก็ปล่อยเข้าไปตามกรรมของเขาคนทําดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชั่วถ้าเราลองดูแล้วตั้งหลายวันเหอเกินไม่น่าเรื่องไม่น่าเชื่อเลยเ ร, เรื่องเรื่องเล็กน้อยมากแต่ลา ก, กันจนเป็นเรื่องใหญ่โตไปก็ว่าจริงแม้แต่วินัยของพระเขาก็ไม่รู้จัก คือถ้าความผิดขนาดนั้นนะเขาอยู่กรรมทรมานตนตามหลักของพระพิไเัยได้ก็ไม่ได้วินยัยไม่ได้กำหนดให้สึกอะไรแต่ผู้หญิงไปสั่งสึกพระไปขอให้พระสึกมันเรื่องอะไรเห็นไหมพอเกิดยินดียินร้ายกันมามันก็เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ลากรไปบุ่งบายกันเนี่ยแล้ในที่สุดเนี่ยคนที่รักความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมา คนที่ไม่รักความเป็นธรรมก็จะซ้ำเติมพระรูปอื่นจนถึงได้ตั้งกองจํากัด อ, ดดอนัตกรรมจากอนัตชีอะไรต่อไรพูดเรื่อยช่วยไปแม่จริงรักษาศีลห้าได้ก่อนเถอะนะคนเรามีหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่ใช่ว่าตัวตรงว่าพระเท่านั้นจะต้องปฏิบัติธรรมะโยไม่ต้องปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีศีลห้าประกาศ อย่างน้อยระดับหยาบคือไม่ถึงก็ฆ่าคนไม่ถึงก็ต้นไม่ถึงก็คมคืนไม่ถึงก็โกหกเป็นพยานใส่ความคนอื่นอะไรตัวไหนเนี่ยอย่างน้อยระดับอ ย, า บ, อยาบไปให้ได้บางทีตัวเองมานั่งดื่มเหลา้าเนี่ยนั่งวิพากษ์วิจารณ์พระอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นมันก็ผิดศีลด้วยกันสมมติว่าพระผิดศีลเราก็ผิดศีลนะ่ะ คนผิดทิ้งกคนผิดศีลมันจะดีอะไรกว่ากันแล้วก็คือคนผิดคนผิดศีลด้วยกันนั้นการทำใจในแนวนี้มันต้องมีเหตุผลมีตรติปัญญามันได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์อะไรเขาได้ดีเนี่ยคุณไปดิษยาเขาเนี่ยคุณได้ประโยชน์อะไรเขาประสบผลของความชั่วคุณไปช้าเติมเขาเนี่ยคุณได้อะไร มันเป็นการทำจิตบิน ญ, ญาณของตัวเองให้ตกตามลงไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพจาเแนวชลัมคุเบขาก็คือมองตามความเป็นจริงแล้วก็ปลงให้ตกในรวมทั้งหลายความคิดทั้งหลายเนี่ยมันก็ออกไปในกฎของกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเราอย่าลืมนะฮะถ้าเราเข้าใจในกฎของกรรม เวลาคนก็ทําดีได้รับผลเป็นลาบด้วยสรรเสริญสุขเราก็อนุโมทน า, าสาธุการเขาเราก็ได้ทําความดีด้วยเวลาก็ประทับชั่วประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็มองในแง่งกฎของกรรมว่าจากทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละใครทํากรรมใดไหวดีหรือชั่วก็ตามว่าจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเราก็สบายตกลงมาสบายทั้งขึ้นทั้งรองแต่ถ้าหากว่า มองในแนวของรักชังเนี่ยมันจะเกิดโทษทั้งสองทางไร้ยินดียินได้เนี่ยเกิดโทษทั้งสองทางเต้นปัญหาใหญ่ที่กลมักทําใจไม่ได้ก็คือเรื่องยินดียินได้อุเบกขาที่มันเกิดไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าใจจะยินดียินได้ทัเนเองข้อต่อไปก็คือพรหมิหารุเบกษาเบกขานะ คือวางใจเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายอันนี้นก็ในกรณีของอุบเบกขากุบเบกขาเนี่ยมั น, ม, นมันในอุบเบกขาของพมีหาเนี่ยมีหลักหละอย่างนี้เป็นเรื่องของคนทั้งหมดเป็นการมองคนโดยภาพรวมๆต้องการเห็นคนทั้งหลายนั้นอยู่ร่รวมกันโดยการไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกันแต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามท้งควรแก่ฐานะของตน อย่างนี้ก็เป็นเมตตาแล้วต้องมีพลานุภาพในการขจัดพยาบาทได้ในขณะเดียวกันก็มีคัาสึกใกล้เคียงคับเมตตาคือการมาคะความกำหนักด้วยมากของความใครเปรมากความรักเยีย yeah, สิตะเปรมากความรักที่เป็นครอบเป็นครัวนะ โดยเห็นว่าความรักเหล่านี้มันเจือโดยกรรมาราคะมันมุ่งบำบัดตอบสนองความปรารถนาของตนเองแต่ความเมตตานั้นที่จริงมุ่งบำบัดทุกภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นต้องการเข่นเอ็นเขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีไัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปะทุสลายกันในแต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนทีนี้คนที่เราเมตตานเนี่ย บางที่ก็ประสบปัญหาประสบความทุกข์ภัยโรคต่างๆเราก็เกิดการุณาจิตซึ่งตามปกติที่ผู้ไรในตอนก่อนได้ว่าเราทําจิตไม่ค่อยได้เวลาคนประสบภัยอันตรายมักจะตามกระทื้นตามซ้ําเติมเพื่อขอโดยสารทำบาปก็ได้ถ้าเมื่อเขาเป็นบาตจริงเนี่ยก็จะไปซําเติมโดยขอทำบาปเขาดัง น, นั้น กรณีนี้นท่านก็สอนในขาจัดความรู้สึกเบียดเบียนออกไปแล้วขจัดความสุขในกรณีที่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้เนี่ยก็ขาจัดความสุขออกไปนั่นก็เป็นหลักการที่ทําให้ใจไม่แวบไปในทางยินดียินได้แต่ว่าเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันเรื่งความจริง กรณีอย่างนี้ทาอย่างนี้กรณีอย่างนี้ทาอย่างนี้กรณีทำอย่างนี้ทําอย่างนี้นนนนนนนแล้วก็ดำเนินไปได้โดยถูกต้องประการต่อไปเมื่อเขาได้ได้ดีมีสุขประส บ, าบลาภเสรเสริญสุขพื่อตามปกติเราก็ใจไม่ค่อยไปอีกอ่ะมันก็าเกริษยาตต่อเขาแต่ปัญญาที่พิจารณามองเห็นว่า ก็เป็นการสมควรที่เขาจะได้เพราะเขากระทำความดีมากควรจะมีความสำเร็จเปความเจริญก้าวหน้าเราก็มุทิตาเลื่อนโมทนากับเขาแล้วก็โดยไม่ต้องการจะได้อะไรจากเขาจะ ต, ต้องการจะเขาให้ดำรงอยู่ในสุขสมบัติเหล่านั้นตลอดกาลเพราะบางครั้งไอ้มุทิตาเนี่ยมันมีโลภะอยู่ คืต้องการมีส่วนแบ่งเพื่อนเพื่อนไปยศก็ขอให้เลี้ยงถูกสลากินแบ่งก็ขอให้เลี้ยงได้เลื่อนตําแหน่งก็ขอให้เลี้ยงอะไรต่ออะไรเนี่ยพอเขาไม่เลี้ยงก็เกิดโทษสารแต่เมื่อตาจริงๆเนี่ยมันต้องขจัดฤิิยาออกไปเราไม่ต้องการมีส่วนแบ่งส่วนร่วมอะไรกับเขาหรอกแต่ก็ชื่นชมที่เขาได้อย่างนั้น สบายใจทำใจสบายไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮดเราเห็นว่ากรุณากับมุทิตาเนี่ยที่ยิ่งทำยากมากถ้าเราไม่ทำใจให้กรอบเลยเมตตาจะก่อนเนี่ยทำยากเพราะใจมันจะเหวี่ยงไปสู่ดิสยากับวิญสาณถึงเป็นธรรมชาติจิตของมนุษย์อยู่แล้วข้อสุดท้ายก็คือข้อข้อตัวเบคาเนี่ย เวลาสัตว์ก็เป็นไปตามกรรมของเขาจะได้ดีตามกรรมได้ชั่วตามกรรมนะฮะแล้วเขาก็ดำรงอยู่ในผลของกรรมดีกรรมชั่วของเขาเป็นการทาวรนคือเขาประสบความดีเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเมื่อคนก็เดินอยู่ดีๆเนี่ยไปประคองก็ได้ยังไงเออแต่เขาหกล้มลุกไมขึ้นเนี่ยยังช่วยไปประคองก็ว่าไปอีกเรื่องแต่นี้คนก็เดินอยู่ดีๆนี่จะวิ่งกันไปประคองมันก็ไม่ถูก เพราะในกรณีเนี้ยการท่าชีที่ถูกต้องก็คือว่าจะต้องวางใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีเมื่อเขาดํารงอยู่ในความดีไม่ยินร้ายเมื่อเขาดํารงอยู่ในความทุกข์คือไม่ไปซ้ำเติมเขาในยามที่เขาประสบ ค, ความทุกข์โดยการพิจารณาดั่กฎของกรรม รสาททั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครํากับมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามว่าจะต้องเป็นผู้รับผลกรรนั้นเพราะกรรมใดใครเกาอคนนั้นก็รับกรรมเข้าไปนี้ก็เป็นอุเบกขาในภพมิหารต่อไปอุเบกขาในเขาเรียกว่าวิริยุเบกขา คือตามปกติเวลาคนจเจริญกรรมฐานเนี่ยเริญกรรมฐานจะเป็นธรรมฐานหรือวิปัสสนาก็ตามมันจะต้องให้ความเพียรที่อยู่ในสายกลางคือถ้าความเพียรมากเกินไปเนี่ยมันจะฟุ้งนะครับมันจะกระสับกระสายถ้าความเพียรหย่อนเนี่ยมันจะง่วงมันจะสับประ ง, งกความความเพียรความเพียรก็ต้องอยู่กลางกลางเรียกว่าพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป จะเรินสมถะก็ได้จะเรยนวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นี่ก็เรียกว่าวิริยุเปกษาเปกขาอุเบขาในความเพียรความเพียรนี่จึงเป็นกุศลธรรมอุเบขาเป็นปัญญาอย่างที่เคยบอกไว้ว่าธรรมะปฏิบัติถ้าเรามองดูให้ดีแล้วทุกข้อต้องมีปัญญาข้ากำกับทั้งหมด ้ากาดปัญญากำกับแล้วเนี่ยมันออกนอกรูปนอกทางไปได้จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องได้ประการต่อไปก็เขาเรียกว่าสังขารุเปกขาตามปกติแล้วจิตใจเราจะวู่ปั๊บขึ้นขึ้นลงลงแต่แกวางเฉยต่อ น, นามารูปที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะ ก็เรื่องตออสังขารมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างในย่ของพระพุทธภาษิตที่จัดสอนแล้วเราเอามาใช้เป็นคาถาบางสกุลกันในปัจจุบันเนี่ยบางสกุลเป็นก็บอกว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงที่เสสติจะล้มลงเหลือแผ่นดินชุดโดเปกวิญญาโนพอวิญญาณออกไปจากร่างแล้วนรับทงว่ากรลิงกะัง ก็เหมือนกระท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เื่อการปลงให้ตกในอารมณ์ทั้งหลายหรือว่าแนวบางสกุลตายอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่นะะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดกันแล้วก็ดับไปคือไม่ใจยินดีทั้งเกิดขึ้นทั้งตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ยินร้ายทั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เพราะมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเอง่งคนบางทีเราเดือดร้อนเพราะฝนตกเดือดร้อนเพราะแดดออกเดือดร้อนเพราะลมพัดเดือดร้อนมาน้ําท่วมเดือดร้อนมาน้ำแบก๊กไมือู้จะเอาอะไรอธิบายไม่ได้เลยที่จริงเนี่ยมนุษย์ฉลาดเนี่ยก็ต้องหาประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านั้นใได้ฝนตกก็หาประโยชน์มาได้แดดออก ประโยชน์บรรในได้น้ําท่วงก็หาประโยชน์บรรในได้น้ําน้อยก็หาประโยชน์บรรในได้เราต้องหาทางออกให้แก่ตัวเองให้ได้ไม่ใช่อะไรก็เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายโกรธเกลียวจนว่า บ, บางทีเนี่ยฝนตกคนก็่าแดดออกคนก็ดาได้เคยได้ยินคํากลอนเด็กคนก็วุ่นวายนะอใจไม่สงบ หาเรื่องด่าก็ได้หมดเดินก้มก็ด่าเดินเงยก็ด่าเดินปักปิดก็ด่าเดินปักเผยก็ด่าเดินคอนตะแคงซ้ายก็ด่าเพราะตะแคงขวาก็ด่าเอมันจะให้เดินยังไงวะไอเนี้ยคือเป็นเรื่องของใจที่ไม่สงบแล้วก็ไปมองสังขารในลักษณะยึดมัน่นถือมั่นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นดังอื่นไม่ได้จะเป็นดังนี้เป็นดังอื่นไม่ได้ แต่ว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นเนีย่ยลองเช่นตัวอย่างว่าญาติพี่น้องของเราคนที่เรารักเนี่ยที่พระเจ้าทรงสอนว่าเรามีพานการ พ, รพลากาจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเนี่ยเป็นเรื่องกติธรรมดามันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ยอมรับว่าอาจจะตั้งอยู่ได้นานอาจจะตั้งอยู่ได้น้อยอาจจะ แตกดับไปก่อนเราหรืออาจจะเราจะจากก่อนเขาจากเขาไปแต่ไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปอย่างสำนวนจีนที่บอกว่าไม่มีงานเลี่ยงใดที่ไม่มีการเลืกลาราแล้วก็าทำใจยอมรับความจริงตรงนี้และในสุดใจก็จะไม่เกิดยินดียินร้ายในการ เป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งสังขารนั่งหลายที่เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปนะฮะเกิดแก่ตายเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปก็คือกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเราใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดแก่ตายเราใช้กับสิ่งมีชีวิตแต่ว่าที่จริงมันอยู่ในกระบวนการเดียวกันคนที่เรารักก็เกิดแก่เจ็ตายคนที่เราชังก็เกิดแก่เจ็ตายตัวเราเองก็เกิดแก่จะตาย คนเร็วเฉยๆก็เกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีอะไรอะนะมันเป็นกระบวนการเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาดาตติติพังคาอุปาดัตติติพังคาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทําใจให้ยอมรับความจริงส่วนนี้แล้วในที่สุดก็จะมีปัญญารู้เท่าทันถึงความแปรผันของสังขารทั้งหลายนี้ก็เป็นสังขารุเบขา แปลว่าอุเบกขาในสังขารทั้งหลายที่มันเป็นไปตามเหตุตามบัตใจของมันทั้งฝั่งทั้งหลายใตโรงปอรูิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงแบบ น, นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ่องามไปบุใ์ในธรรมยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี